วัด94ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัทภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประพฤติมานัดพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้ประพฤติมานัดหนึ่งไม่พึงให้อุปสมบทสองไม่พึงให้นิสัย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 วิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่จะให้เธอ 22. ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุเป็นปุเรสมณะหรือเป็นปัจฉาสมณะเข้าตรกูล 23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกังคทุดง 24. ไม่พึงสมาทานบินดะปาติกังคทุดง 25. ไม่พึงให้เขานำบินทบาทมาส่ง เพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนอย่าได้รู้จักเรา 26. เป็นอาคันตุ ก, กะไปก็พึงบอกให้ทราบ 27. มีอาคันตุ ก, กะมาก็พึงบอกให้ทราบ 28. พึงบอกในวันอุโบสถ29ิพึงบอกในวันปวารณาส0พึงบอกทุกวันส1อถ้าอาพาธ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 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 40. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 41. ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาตที่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 42. ไม่พึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย43ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย44 ม <yak zweiten> ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายสี่สิบห้าไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสง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 ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันต ร, ราย48ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็ น, นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย49 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว <cle an> ้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายห้พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 51. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 52. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่นิใช่อาวาส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 ถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละห้าสิบกพึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภ mm ิก hmm. ษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าสามารถไปถึงในวันนั้นแหละห้าสิบเจ็ดพึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมณสาังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละห้าสิบแพึงออกจากอาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมณสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่า เราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ59ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบางเดียวกันกับปกตัตตภิกสุ60ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบางเดียวกัน6กไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบางเดียวกัน 62. เห็นปกตัตตภิกสุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 63. พึงนิมนต์ปกตัตตภิกสุให้นั่ง64ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกตัตตภิสุกษุ 65. เมื่อปกตัตตภิกสุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง 66. เมื่อปกตัตตภิกสุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ 67.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 ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสกับภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมกับภิกษุควรแก่มานัตกับภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมกับภิกษุควรแก่มานัตกับภิกษุผู้ประพฤติมานัตที่มีพันษาแก่กว่ากับภิกษุผู้ควรแก่อภิพาณ กับภิกษุผู้ควรแก่อภายไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภายไม่พึงอยู่ในอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภายไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภัยเกาสิบ เมื่อภิกษุผู้ควรแกอ่อภานนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง91เมื่อภิกษุผู้ควรแกอ่อพภพานนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ92ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกันกบภิกษุผู้ควรแก่อั พ, พาน93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 สงมีภิกษุผู้ประพฤติมานัทเป็นรูปที่20สพึงอับพาลกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด94ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัทจบ